บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงปัญหาของมนุษย์ธรรมศิษ์ทั้งสิบกคนซึ่งเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีมาแล้วโดยลำดับยังเหลือท่านสุดท้ายคือท่านปิงกิยะมนุษย์ ซึ่งโดยฐานะก็เป็นหลานชายของพรามภา์าบรีที่พราหมณ์าวรีเกิดความวิตกกังวลตั้งแต่ในตอนต้นว่าลูกศิษย์อีกสิบภาคคนนั้นเมื่อไปฟังธรรมะในสรรนักของพระพุทธเจ้าอาจจะกลับมาแจ้งข่าวแก่ท่านหรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้จึงได้สั่งคาดคั้นหลานชายคือปิงกิยะมานก ล้าคนอื่นจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ตามแต่เธอต้องกลับมาบอกให้ลุงทราบถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงติ้งยะมานพจึงเป็นคนสุดท้ายที่กราบทูลถามปัญหาในตอนแรกได้กราบทูลประรบถึงตนเองว่าเวลานี้ท่านเป็นผู้แก่เฒ่าเพราะชราดวงตาก็พร้ามัว หูก็มองไม่หูก็ฟังเสียงไม่ค่อยจะได้กินผิวพรร์เองก็เสื่อมสามไปความแข็งแรงของร่างกายก็ถดถอ ย, ถถอ ย, ถอยตามไปด้วยขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องประสบความเสื่อมเสียดายระหว่างเลยขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัต์บอกทางที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากชาติและชราในที่นี้เถิ ครอนี้เป็นการแสดงถึงความคิดความเห็นของท่านที่กำลังจะเป็นพระอิศุคคลซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ของความจริงที่เป็นอริยสัจทึงเริ่มต้นด้วยทุกสัจข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าการมองโลกในแนวนี้เป็นการมองแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงมอง แต่พระองค์ทรงมองเริ่มจากแก่เจ็บตายเป็นต้นไปพูดง่ายว่ามองในแง่ของสภาวะทุกตามลาดับคือแก่เจ็บตายของคนที่เกิดมาแต่ของท่านอิงญยะมนบนั้นมาเริ่มที่อายุสังขารของท่านเองซึ่งก็เป็นชาราทุกข์ หรือบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าจราภัยแต่ในที่สุดก็มองเชื่อมเข้าไปหาความเจ็บซึ่งจะเกิดซึ่งเกิดขึ้นกับร่างกายในลักษณะต่างๆปรากฏที่หูปรากฏที่ตาปรากฏที่ผิวพรรณปรากฏที่ความถดถอยแห่งเรี่ยวแรงและมีการคาดหมายว่าความตายจะต้องปรากฏขึ้นในระยะไม่นานนะัก ท่านจึงมองช่วงของความแก่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บก่อนจะถึงความตายนั้นทำอย่างไรท่านจึงจะไม่ประสบความสูญเสียด้วยประการทั้งปวงถึงจะทำได้ด้วยการที่พระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมะซึ่งจะช่วยท่านหลุดพ้นจากความเกิดท่านใช้คำว่า ช, ชาราชิทุกข์และมรณะทุกข์คือมองจากจุดเกิด ไปจนถึงจุดดับเป็นชาติกับความดับโดยไม่ไปมองที่ความแก่กับความเจ็บเพราะที่จริงความแก่ความเจ็บนั้นเป็นผลพวงมาจากความเกิดก็อยู่ในแวดวงคือจากจากช่วงเกิดถึงช่วงตายนั่นเองการมองในแนวนี้ท่านเรียกว่าคือละไว้ในฐานที่เข้าใจกันคือจะพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูด ปัญหาประเด็นสำคัญที่น่าศึกษาสำเนีกตามแนวของท่านปิงกิยะมนกซึ่งเป็นแนวความคิดของคนงที่กำลังจะเป็นพระยาบุคคลว่างเป็นการเรียนรู้เข้าใจโลกในแง่ของความจริงเข้าใจชีวิตในแง่ของความจริงปัญหาสำคัญคือการยอมรับถึงสถานะของตนที่ปรากฏในขณะนั้ น, น, น ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติคือไม่ใช่เจาะจงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นั้นในขณะนั้นมีกีดความสามารถที่จะคิดพิจารณาและหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนมองเห็นในขณะนั้นโดยวิธีใดหรือในระดับใดก็จะทรงสอนโดยวิธีนั้นในระดับนั้ น, น, นตามนาย่แห่ง พระพุทธดำรัสที่ทรงจัดไว้โดยสรุปว่าประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดโดยวิธีใดบุคคลพึงใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆซึ่งหมายความว่ามองไปที่ประโยชน์เป็นหลักสำคัญปนนัญาในจุดเดียวกันพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลไม่เหมือนกัน การมองปัญหาเหล่านั้นก็แตกต่างกันออกไปแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าขอให้ได้รับประโยชน์จากการมองในขณะนั้นๆเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่าในชั้นศิลธรรมจรยาทั่วไปนั้น <c oughs> ก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนและตัดสินตนด้วยตน เป็นการฝึกเปลือให้บุคคลใช้ปัญญาสอดส่องมาที่ตนเองแทนที่จะมองไปข้างนอกเพราะการศึกษาเรียนรู้อะไรก็ตามให้เกิดความเข้าใจนั้นเราจะต้องใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่มองยอดเขาจากที่ไกลและวินิจฉัยยอดเขาเอาเพราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพระเาะแท้ที่จริงภาพเหล่านั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นภาพดวงตาเฉย จากสุประสาสต์ของเราไม่มีสมรรถนะมากพอที่จะไปวินิจฉัยอะไรได้ดังนั้นการศึกษาถ้าต้องการรู้แจ้งเห็นจริงท่านให้มองในจุดใกล้ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ตนเองตนเองนั้นเป็นการมองระดับไหนระดับศีลธรรมจัญญาก็เรียนรู้ที่ตนเองให้บุคคลพยายามสร้างความรู้สึกในแนวที่เรา รักสุขเกลียดทุกคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกจะให้บุคคลแต่ละคนใช้ความเพียรพยายามในการที่จะขจัดความทุกข์อันจะพึงเกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่นอย่างน้อยที่สุดโดยการงดเว้นไม่กระทำแต่ถ้ามีบุญญาบารมีมีเกียรความสามารถที่จะประพฤติกระทาก็ส่งเสริมสนับสนุนให้พยายามกระทำไปโดย ด, ำดำําดับ ซึ่งเป็นความประนีตแห่งธรรมะในแต่ละบทอาจจะเริ่มมาจากเมตตาเมตตาเองก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นเมตตาเจตุวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยเมตตาธรรมเป็นการหลุดพ้นระดับในขณะนั้นๆในระดับฌานหรือเป็นระดับที่ประนีตสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นได้แก่หลุดพ้นจากกิเลสอย่างแท้จริง ในชั้นการปฏิบัติในช่วงต่อมาก็เรียกว่าชั้นธรรมปฏิบัติก็ให้พยายามให้บุคคลพยายามเรียนรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ในที่สุดก็จะย้อนกลับมาที่ตนเช่นลองสอนให้พิจารณาถึงการเวลาที่ผ่านพ้นไปเป็นการมองเฉพาะการเวลาเห็นว่าการเวลานั้น กินตัวเองด้วยกินสรรพสัตว์ด้ว ย, ว เ, ว ย, ว เ, วยเป็นการไหลไปที่ไม่กลับคืนมาอีกและในขณะที่ผ่านไปก็ได้ฉุดกระชากเอาชีวิตอายุของคนตามไปด้วยแท้จริงแล้วไม่ได้นาไปเฉพาะอายุชีวิตของบุคคลและนำโอกาสนำขณะที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติความดีในชัน้นนั้นๆให้หมดไปด้วย ดังนั้นพอมาถึงธรรมปฏิบัติในชั้นศีลธรรมจร ญ, ญาเป็นต้นไปจึงมาเน้นที่ไอ้บุคคลพยายามใช้การเวลาฉกฉวยโอกาสที่กุศลแเจตนาบังเกิดขึ้นจากกระทำอะไรก็ตามให้เรียบกระทำให้สัมพันธ์กับขณะแห่งความคิดที่กุศลเจตนาเหล่านั้นเกิดขึ้น เห็นกุศลแเจตนาเกิดขึ้นต้องการจะให้ทานก็รีบให้ต้องการรักษาศีลก็รีบรักษาต้องการปฏิบัติัำเป็นภาวนาก็รีบเร่งปฏิบัติเพราะว่าใจของสามั ญ, ญชนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกคือธรรมะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและกลางๆในขณะที่กุศลขึ้นปรุงแต่งจิตให้คิด ทำพูดในเรื่องที่ดีๆนั้นอกุศลเองแกก็มีกำลังอยู่มากภายในใจคนและแกก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นตัดรอนขัดขวางจนให้บุคคลไม่สามารถทําได้และมีอยู่ไม่น้อยที่ทําไม่ได้จริงๆตอนนั้นจึงทรงสอนให้ฉกฉวยโอกาสรีบกระทําสีไหนขนาดนั้น ย่งที่ทรงอุ ป, ปมาในกรณีของการให้ทานว่าเมื่อจากเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วให้บุคคลรีบบริจาครีบเสียสละในขณะนั้นๆโดยเร่งด่วนเพราะถ้ า, าอย่างนั้นแล้วความสนีทความหวงความเสียดายก็จะเกิดขึ้นซ้ําซ้อนทับทวีและสลายความคิดที่จะบริจาคให้จางออกไปจา ก, กจิตใจ นี้เป็นการสอนให้ต่อสู้กับความคิดกันในแต่ละขณะเพราะไรเพราะว่าในขณะที่การเวลาผ่านไปก็ชุดกระชากทุกอย่างไปด้วยไม่ใช่ไปเอาเฉพาะอายุหรือเอาเฉพาะชีวิตจะเอาโอกาสเอาขณะแห่งการทำความดีตามไปด้วยดังที่ทรงสอนให้บุคคลที่เรียกว่าแม้มีชีวิตอยู่ขณะเดียวก็จะเดิน ในพัดเดะเตกัลตสูตรในตอนหนึ่งสงชัยว่าถ้าบุคคลจะทำความเพียรพยายามจหมายถึงความเพียรพยายามในการกาหนดรู้ถึงทุกความเพียรพยายามในการละบาปความเพียรพยายามในการทำความดีให้บังเกิดคิดนั้นก็ให้ทำเช่นในขณะนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะผัดเพี้ยนต่อรองกับมรจุราคือความตายได้ ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามัจจุคือความตายนั้นเป็นมารประการหนึ่งที่มาตัดรอนชีวิตของบุคคลทำให้โอกาสนั้นได้สูญเสียไปด้วยพร้อมกับชีวิตของเขาคนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะคงนึกได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจรัสรู้ใหม่ๆทรงปรารภจะเสด็จไปสั่งสอนอารารดาบทและอุ ธ, ธกาดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพระองค์ แต่พอรู้ด้วยประยานว่าทั้งสองท่านนั้นได้สิ้นชีวิตไปแล้วก็ทรงอุทานว่าอาจารย์ทั้งหละอาจารย์ทั้งสองประสบความพินาศอย่างใจดวงเพราะอะไรเพราะไม่ได้สูญเสียเฉพาะชีวิตท่านแต่โอกาสที่จะฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้สูญเสียไปด้วยแม้โอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าก็สูญเสียไปด้วย แล้วเมื่อไปเช่นนั้นแล้วในสังสารวัตรอีกยาวนานนั้นโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมนั้นจะอีกกี่กับปีก็ไม่มีใครกำหนดรู้ได้ราะนี้เป็นการเชี่ยเห็นถึงการสูญเสียโอกาสไปเพียงสิบห้าวันกับเจ็ดวันเท่านั้นเองแต่เป็นการสูญเสียที่ถาวรมากจะต้องใช้เวลาเป็นกับเป็นกัน จึงจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้เพราะการมันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการเกิดขึ้นที่โลกจะสัมผัสได้โดยย่าท่านรู้เวลาท่านอ阿拉阿าดาบทอตกดาบทนั้นเกิดมาในยุคนั้นแล้วแต่ก็รีบตายซะก่อนคือมัดอยมานี่ยมาตัดรอนชีวิตซะก่อนไปการต่อไปในชั้นที่ประณีตขึ้น ถึงมองไปในแนวของการประพฤติปฏิบัติเจ้าของสองในให้บุคคลพิจารณาว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปให้ตรวจสอบว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่บ้างสิ่งที่ทํานั้นดีหรือไม่ดีถ้าทําดีจะทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกไหมถ้าทําไม่ดีจะลดละบันเทาลงไปบ้างได้ไหมถ้าเมื่อลดละบันเทาลงไปแล้วจะลดละบันเทาลงไปอีกได้ไหม ในกรณีของการทำดีก็ให้สอบถามในการเพิ่มปูนความดีเช่นเดียวกันแต่การมองนั้นจะต้องมองเห็นทั้งสองด้านเป็นการวินิจฉัยเป็นการตัดสินตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆไม่หลงตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองไม่ประคบประง ม, มตัวเองมากเกินไปแต่วินิจฉัยไปตามความเป็นจริง าการที่ท่านปิงคิยะมานพถึงตอนนั้นท่านอาจจะไม่เป็นมานพก็ได้คือเป็นผู้เท่าแล้วแต่ในตำราท่านเรียกว่ามานพทั้งสี่หกคนมาพิจารณาอายุสังขารของท่านเป็นบทเรียนเรียกก็มองในแง่ของชราภัยเพราะความแก่งองของร่างกายนั้นได้เพิ่มขึ้นโดยลำดับ และมองเห็นความดับในแนวที่จะไม่ย้อนกลับเช่นความเสื่อมไปแห่งอายุสังขารความเสื่อมไปทางสายตาความเสื่อมไปประสิทธิภาพของหูความจำรดสุดโทมที่ปรากฏทางผิวหนังความถดถอยแห่งเรี่ยวแรงเป็นต้นนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ฉุดชีวิตของตนเองให้ใกล้ความตายเข้าไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุ ป, ปมาชีวิตว่า เมื่อนคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคไปสู่ที่หากินทุกย่างก้าวที่โคก้าวไปหมายความมาใกล้สถานที่เหล่านั้นเข้าไปทุกขณะไปส่งอุปมาณชีวิตของบุคคลว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อคนเกิดมาแล้วชีวิตก็จะเดินทางเข้าสู่ชราคือความแก่ และในขณะนั้นเองความเจ็บไข้ในป่วยก็สอดแทรกเข้ามาทุกขณะตามที่โอกาสจํานวยให้เจ็บมากเจ็บน้อยป่วยมากป่วยน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและในที่สุดมัจจุราชคือความตายก็จะโผล่ออกมาในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้เพราะแท้จริงแล้วความแตกดับแบ่งชีวิตนั้นก็ไม่ได้กำหนดแน่นอนลงไปว่าจะแตกดับเมื่อไร แต่ที่แน่นอนก็คือว่าความตายนั้นเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนดนั้นจึงสอนให้บุคคลมองชีวิตในแง่ของความเป็นจริงถ้าแก่ก็ต้องยอมมาแก่เจ็บก็ต้องยอมมาเจ็บแม้จะตายก็ต้องยอมมาตายให้เอาสังเกตว่าการยอมรับเราแก่เราเจ็บเราตายมันแก้ปัญหาได้ แม่ในชั้นสามัญ ท, ทั่วไปถ้าเราแก่แล้วเรายอมรับเราแก่อะไรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาได้เดียวแรงผิวพันธ์ความเสื่อมแห่งอวัยวะนั้นเราแก้ไขไม่ได้เมื่อแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้แก้ไขแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่จะแก้ไขได้เพิ่มพูนได้ นั่นคือเพิ่มสารธรรมขึ้นที่เราเรียกว่าแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาหรือแก่ศีลสมาธิปัญญาคนจะอยู่ในวัยใดก็ตามสามารถที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ไม่เจาะจงในวัยใดไว้หนึ่งเพราะงั้นจึงมาเน้นในจุดนี้เทบุคลพยายามเพิ่มในส่วนที่ตนเพิ่มได้ ส่วนเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นต่างจากเหตุปัจจัยไม่มีใครควบคุมบังคับบัญชาได้ก็อยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งสังขารทั้งหลายแต่กุศลและทำความดีนั้นบุคคลสามารถเพิ่มได้ก็ส่งสอนให้เพิ่มอย่างที่ทรงแสดงไว้ในกนิยะกนิยสูตรเป็นใจความว่าการละทุจริตทางกายวาจาใจ และการปฏิบัติสุจริตทางกายวาจาใจนั้นเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้แต่ทาคตจึงสอนพวกเธอถ้าเป็นสิ่งที่พวกเธอทำไม่ได้แต่ทาคตก็จะไม่สอนเพราะเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้แก้ความแก่ความเจ็บความตายเพียงแต่สามารถบรรเทานั้นสอนได้แต่สอนให้แก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั้นไม่สอน ในช่วงชีวิตแต่ละชาติแต่ในขณะเดียวกันก็มีธรรมะที่จะขจัดความเกิดได้เมื่อขจัดความเกิดได้ความแก่ความตายก็ชื่อว่าไม่ปรากฏเพราะไม่มีอะไรให้ปรากฏคือเป็นที่ตั้งของความแก่ความเจ็บความตายแต่นัานก็เป็นคำสอนระดับของนิพพานท่านปิงกิยะมานพนั้นแสดงเห็นว่า มองเห็นถึงความทุกข์ในสังสารวัฏโดยบทเรียนจากชีวิตจริงของท่านเองเพราะในช่วงที่แก่กว่าจะตายรือก่อนจะตายนั้นสิ่งที่ท่านต้องการอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ต้องการจะเกิดอีกแล้วจึงขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพื่อท่านไม่ต้องประสบความเสื่อม ในช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ข้างหน้านั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วชีวิตข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าจะมีอีกเท่าไหร่เนื่องจากเป็นนวิชาของบุคคลทั้งหลายเป็นไวแต่ท่านที่บรรลุมรรคผลมียานอย่างรู้ที่เรียกว่าอนาคตังสยานแต่ท่านเหล่านั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปแก้ไขคือรู้ไม่รู้ก็มีค่าเท่ากันคือรู้วันตายหรือไม่รู้วันตายก็มีค่าเท่ากัน ปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบัน่าทำอย่างไรจึงจะไม่ประสบความเสือ่อมในการแสดงนั้นในกรณีที่เป็นความประสงค์ของท่านปิงคิยะก็ต้องแสดงระดับสงูงแต่ถ้ามองในแง่ของการไม่ประสบความเสื่อบนั้นจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงล ด, ดหลั่นกันออกมา คือใครสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในระดับใดก็ทรงแสดงระดับนั้นเช่นความเสื่อมในการดํารงชีวิตประเภทที่อยู่ดีมีสุขก็จะทรงสอนธรรมะระดับงดเว้นอาบายามุกเป็นต้นให้บุคคลประกอบความเพียรพยายามตามหลักของทิฏฐธรรมิกฐานทั้งสประการเรียกว่าความเสื่อมในระดับกุศลและธรรมที่สูงขึ้น ก็ทรงมีคําสอนระดับฐานระดับศีล ร, ระดับศรัทธาระดับความเพียรในชั้นนั้นๆคืออย่างน้อยที่สุดก็อย่าให้เสื่อมป่าที่ตนเป็นอยู่ในขณะนั้นทั้งในช่วงสั้นๆคือในชีวิตประจำวันทั้งในช่วงยาวๆก็คือสังสารวัฏเช่นหมายความว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุดตายไปแล้วอย่าตกนรกแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเป็นเทพเป็นพรหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายความว่าอย่าให้เสื่อมมากขึ้นไปกว่านั้นเพราะอบายแปลว่าความเสื่อมเป็นการแสดงถึงสภาพจิตสภาพชีวิตที่ตกต่าลงไปกว่าที่ตนมีอยู่ก่อนแล้วก็สรงแสดงที่มันเลิศก็เรียกว่าสวรรค์สวรรค์จะแปลว่าอารมณ์เลิศ หมาความว่าบุคคลผู้นั้นเมื่อบังเกิดในที่นั้นจะประสบรูปเสียงกลิ่นรสผุภภิภัพฑและอารมณ์ที่เลิศกว่าเดิมแล้วก็เลิศขึ้นไปโดยลำดับตามลักษณะของพบภูมิลดนั้นและตลอดถึงสภาวะของจิตที่ตนสัมผัสได้ในขณะนั้นนั้นพอมาถึงอีกชั้นหนึ่งก็คือความเสื่อมของช่วงโอกาสอย่างที่กล่าวแล้ว เช่นว่าการมัวไปถือเลิกถือยามคอยเลิกดียามดีขณะดีครู่ดีกันอยู่แห้บุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยให้การเวลาซึ่งควรจะได้ประโยชน์สูญเสียไปในข้อนี้ก็ส่งสอนในบุคคลนี้คิดว่าประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าจะทำอะไรแก่ใครได้ วันประโยชน์จึงอยู่ที่การกระทำเหมาะเจาะของบุคคลเองไม่ได้อยู่ที่อำนาจปัจจัยภายนอกซึ่งคำสอนในลักษณะนี้สามารถพิสูจน์ได้ทดสอบได้เพราะว่าในขณะเดียวกันนั้นเองแสดงมาอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่คนเรามีสุขมีทุกข์ที่แตกต่างกัน ถามว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากเลิกในขณะนั้นเกิดมาจากดวงดาวในขณะนั้นหรือเกิดจากความการกระทําของบุคคลในขณะนั้นเราก็จะพบความจริงว่าเกิดมาจากการกระทําของบุคคลนั้นเองในขณะนั้นนั้นดังนั้นจึงทรงแสดงไว้ในที่เรียกว่าสุบรรณสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเลิกดี เลือกดียามดีขณะดีครูดีพระทรงเน้นไปที่กายกายกรรมวิมจิกรรมมโนกรรมที่สุจริตให้สุจริตทางตรทวารคือทางกายวาจาใจถ้าสุจริตอ ต, อตอนเช้าตอนเช้าก็ดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ดีตอนเย็นตอนเย็นก็ดีนี่เป็นการชี้ให้เข็นถึงความจริง บุคคลสามารถใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องแล้วฉกช่ชวยเอาประโยชน์ในตอนนั้นได้คือไม่เสื่อมจากประโยชน์ในขณะนั้นพอมาถึงชั้นของการบำเพ็ญเพียรในลักษณะที่ทียิบของจิตใจเป็นการตั้งสติกำหนดลึกรู้อารมณ์นั้นเราจะพบว่าจิตจะตกอยู่ในสภาพฟุ้งซ่านกับสงบฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปในทางไหน ท้งสิ่งที่รักก็ได้สิ่งที่ช่างก็ได้สิ่งที่หลงก็ได้สิ่งที่เพลิดเพลินก็ได้สิ่งที่คับแค้นก็ได้อึดอัดขัดข้องก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสงบมรรยาสงบจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะทำยังไงจึงฉกฉวยโอกาสให้เกิดความสงบได้ถ้าได้จริงแล้วความสงบในบางช่วงบางขณะนั้น เป็นการกำหนดอนาคตชีวิตของบุคคลทั้งชีวิตซึ่งในชีวิตประจำวันสามารถดูได้ในการตัดสินใจบางเรื่องของบุคคลไม่ว่าจะตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจทำงานตัดสินใจไปไหนตัดสินใจเรียนตัดสินใจเลี้ยวรถเป็นต้นเนี่ยผลดีผลชั่วนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นได้รับถ้า ต, ตัดสินใจถูกต้องก็มีความสุขความเจริญในสายนั้น แต่แตัดสินใจผิดมันก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในสาย น, นั้นๆที่จริงแล้วเกิดขึ้นจากขณะของความคิดตัดสินใจเท่านั้นเองถ้านับเป็นนาทีก็อาจจะไม่ถึงนาทีทได้ารทำไปเพื่ะการประคับประคองจิตใจของตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกุศลคืออยู่ด้วยกุศลในธรรมโอกาสใดที่ทําจิตของตนในหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองใจได้ โอกาสนั้นนอกจากขาจัดความเดือดร้อนภายในใจแล้วยังเป็นการเพิ่มความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตอนเองอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าจิตที่หลุดพ้นด้วยเมตตาหลุดพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตาที่บุคคลให้เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะเดียวก็เป็นจิตที่มีผลมีอเนิสงฆ์มากไม่ต้องกล่าวถึงว่าทาได้นา น, านๆทาได้มากๆ แต่ไม่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็จะเป็นธรรมมีผลเมียในสูงมากข้อนี้เพิงเข้าใจว่าในทางปฏิบัติแล้วก็จะหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากโทสะหลุดพ้นจากโมหะหลุดพ้นจากกริษยาหลุดพ้นจากอะไรก็ได้ที่เป็นกิเลสและเป็นเหตได้จิตใจสงบนั้นล้วนแล้วแต่ตามมาซึ่งผลอานิสงส์ที่บุคคลจะสัมผัสได้ในขณะนั้นๆและเป็นบารมีธรรมที่จะเพิ่มปูนความดีของตน และที่สําคัญอย่างยิ่งก็ช่วยให้บุคคลผู้นั้นไม่ประสบความเสื่อมในขณะของความคิดนั้นๆซึ่งธรรมะปฏิบัติเหล่านี้แต่ละช่วงที่ทรงแสดงไว้ทั้งช่วงสั้นช่วงยาวจนถึงแต่ละขณะเป็นเรื่องของการแสดงไปตามพื้นฐานความสามารถในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นใครสามารถหาประโยชน์ได้ในจุดใดเขาก็จะไม่ประสบความเสื่อมในจุดนั้นๆตามกําลังความสามารถแต่งตน ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป